แล้วละครถวบวดกองทุกข์อายุหันกินของแสดียงกับพิษกับแสดงบ่ได้พอเป็นผู้หาทางอื่นมาอ๋ขันลูกให้อ่อนๆอดูห น, น, น่อย่านลูกว่ามีน้าตู้น้าน่ว ม, มกินต้องหาหวานหายาม า, ากินนำหออนนอนขางแม่สะแน่น ทางหลังกับพงดูฟื้นดูไฟครบเปิดความทุกข์ของคนค น, น, ค น, น, น, น, นั่นคนนั้คก็เห็นอันนั้นมากนะน้ำตาไหล่ะสัตวนี่อ๋อข้านี่ยามีผู้ส่วนผู้ต่าง ส, สมมุา ล, ลูกพ่อข้าเป็นตาหนึง่งเมื่อกด เมื่อนึงกระําปนตระตแก้วเมื่อนึ่งกระ อ, อ, อุบลูกเขียวคันว่างแน่แปลนกลับกากร ก, กลับไปสิ่ประตูเฮือนเพื่อนสามีผู้เอาหายกัยังข้อ ย, ยังสัวเพื่นมันนี้ใครจะนอยเ่อนัน้พ่อแลนเหรีย น, น้ำฝนตางหอมอตหนึ่กรเบงลูกตานึงก็เ บ, ง, ง, เบงเฮือนเบงซานขบหมดเพื่นตลอด ถึงพ่อเที่เอาเรียนไปเฮ่นนั่ น, นเฮ่นนี่เป็นหยันมัออ่วหยานขั้วแรีนมาน้าพ้นตั้งหอกตั้งหอมเมื่อเห ย, ยียบเมื่อยังครบปุ๊บหัวใจหอยใ่แขนแขนง่ามขอน้อยอยากกินยังขอนอนห้ย ข, ขนอน้อยให้กินข้าปากเพิ่นก็ต้องเอาใหายเลยทรงตูทรงน่มหิ้วเข่าเอาเข่าหาหิ้วน้ามเ ข, า, ขนานําให้กินขันยามเจ็บย่ามปวดมากเพิ่นกับว่าไปที่สบาย นอนก็ปรหลับว่สสาสัตวละพัดว่ตลอดเทิงใหญ่มากพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเลิศก็พ่อพ่อแม่พอนอยกต่จร mm. ิงยู้ว่าสัยกไหวช่วงนึงต okay ั้งหากว่ได้ออมาเทียบว่าัพ่อแม่พอนอยสอนก่อนพระพุทธเจ้าต้องยากก่อนพระพุทธเจ้าพ่อแม่พอนอยก็ได้อบรมเจ้าพระพุทธเจ้าองคก่อนนสัวั่นะว่าั จังขอนอ้อยมันยังกิดขึ้นกนจังซีเ ร, รียมาเกิด น, น้ำผึ้งอะไคุณของพระองค์เจ้าม่นมีประมาณกับาากกองคจ้าก็แล้วโอ้ก็ไล่แฮงหลา ย, ลา ย, ดยเดี๋ยวนี้น้าตาขอน้อยก็ไล่แ้วขอน้อยก็ไม่อยากว่าหลายคำมันพิดขอน้อยกับชีวิตคำม่าถือขน้อยเสียักษาวย พุทธเจ้าก็เลยกลุ่มลงแน่นอยงหนึ่งสาธุสาธุสาธุสามเทือ่อสมัยเท่าพุทธาโอบายอยากเทศคนน้นนี่คือพระจทาถามพระพุทธอะไรบนพลิงพงคจับพุทธาโอบายอยากเทศในการนี่ไอ้คนจับทุกสุดทั้งร้ายเลสิสาธุสาธุเอาสาธุขววมสาธุของเฮ า, า, า, านี่เฮาิตอธิษฐานให้ได้ยินหวพรมรรคทั้งใต้ให้ได้ยินหอดมหาวิกีนรกว่าสั่่านว่า นิ้วเท้จักรวานควมห้อสาธุนี่ทั้งที่อธิษฐานทั้งแสนเป็นละางใจถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตที่รักษากดีมาพบได้สัตได้ห่าวาทิมพอทิมแแม่จักเทื่อได้พระพุทธเจ้าถ้าจะเป็นนกแถล ก, ก็จะไปหาเขาสร้างหน้าที่รองล้นไม่พอกินอยู่ไม่กินอยู่ถ้าเป็นลิ่งนะครบบอกไม่หัวมัดไม่พอแม่กิน ซาบเป็นแห่งเป็นกาเราจะไปหาของมาให้พ่อแม่กินซาบเป็นม่วเป็นคัว้วซาบเป็นสัตส์ทีในสารทุกซาบทุกพบว่าได้ชินพ่อที่แม่จกักซาบซาบเป็นมนุษย์กับว่าได้ชิมพ่อชิมแม่จกักซาบซาตบเป็นส้วนนะสามพ่อแม่ตาบอดกัเลี้ยงกันตายซาบเป็นพระพุทธเจ้ามาชาตินี้เป็นชุดไาย ก็ได้ประเทศแม่ยุสันดาวดึงพุ่นแม่เข้าในประสดาบันนี่ดิว่าันพอพ้อพระชุโตธนะพ่อกับประเทศเอาเขาสู้พระนิพพานแล้วว่าสันเป็นพระลหันว่าันพระลหันแม่ยมเนี่ว่าสันพ่อมเคยถินพอที่แม่กัตยาันพราะคุณพ่อคุณแม่เทียบเหมือนคุณพอพุทธไเจ้าคุณพระละหันคุณได้ประมาทแต่บ่เจริญเ่าสน่อจังในช่องว่า มาตาพิตูอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตตะมังการอุปัฏฐาวิรามาดาเป็นมงคลอนุโมดีของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาเจึงในเทศไว้ไวคนทั้งหลายฮะถือ่เป็นของธรรมดาเดยคุณั้งคนกูว่าในมูลนมึงในมุลนมึงกะเลี่ยงซาพ่าสัตว์อ๋ สาสตราวพวทุทธิเก้าเป็นคนขี่ทุกมีอิสระยังมีอีสระจะหาบคืนขายก็ับ่าถิ่มพ่อถิ่มแม่าศาสตรเป็นมนุษย์ขายในเงินมากสมมติว่าในเงินสิบสองบาทยังสี่หาบยืมมัดมือก็ับมาปันเป็นชี่ส่วน เสนึ่งอาไปให้งูเหาให้เมียฉันบอกเอาใหา้มันเห่ามาสนเห่าฟอฟอเส่วอนึ่ ง, อ เ, ท เ, ท เ, ทงเอาไป ส, ปสะะปิ่มทะเลหลวงเอาไปแซ่ปากแซ่ทะเกรปติดเส่วนนึงเอาไปใส่ดีให้พ่อให้แม่ส่วนนึงเ อ, อาไปฟังไปฝังคือเอาไปกินไปทานอาไปฟังเอาไปฝากข้างเหน็นใครสั่นอยู่อันมูเห่าเนี่ยอกชิงูเน่มันพูดได้ว่าไรมุดด้นเนี่ยมาจากบึงพบอบึงแม่เนี ม, มุนมันยังาสองแกสองวันหนึ่งเพิ่นเรี่ยงมากเพิ่นปาา่าถีบห้องปตายบอกนั่นพระพุทธเจ้ายัางมาได้นหน้าใครเนี่ยาแล้วเพิ่นบาเด้ดมุ่นพ่อแม่บาด้ดมุ่นนี่ยังให้กูกูติดทุกข์าฟื้นตอนนั้นก็นยังแบงเป็นซีส่วนอยูนะ่แค่ห้องในบ่ไดแล้วมึงในมุ่นมึงเลี่ยงเท่ไหมกูมาได้นมุ่นกูมาเลี่ยงตัวเพิ่นโง่ตายเขาเลี่ยงกับเเลี่ยงของเขาคิดท้องฟอง้าห้องันห้องเขาไม่คิดก็ตาคือว่างเลย นี่คุณอินมันเป็นพระอยู่นี่มันเอาหองมหฟังเป็นยังย่างอันดีเงินช่วงนี้เป็นเงิน่วนตัวขาน่อยอขน่อยีว่าให้ตกลงปูฟังผู้เดียวอง้ยมนชวนตัวขาน่อยอมันเป็นพระมอเนี่ยบวชท่นี่หละบวชี่นี่ไรพษาอยู่เป็นเนตร น, นี่เ่ยเหนดือนไปอยู่บนอื่นน่นละเข้าไปตางวัดที่ น, น่นเเงินช่วงนีน้เขาห่อยทเงินในช่วงนี้ เชื่อมตัวเขาหน่อยนี่งเพะฉะนั้นคือฝากไว้ข้างไว้ถ้าเห็ดบุญนะพอแน่่้วกันตัวไว้ว้เลยอ้หน้าเขาหน่อยกับได้เกเกล้นขอเขาเหมอะไปเขามืแล้วหน้ากูเนี่ยือว่ากูได้มุ่นน่อยมึงได้มุ่นหลายสิทธินิ่งกันเลยสิไห้มันได้นิงกันใช่ไหมบอว่าโอ้มันจะเก่งมวยออกมอนี่ มันคือเปี่ยนเขาเฮ้านี่เกิดมาเฮ้ามาเด็เนแต่พอแม่จักเตีอเฮ้ามาเด็กยิงแขวยิงข้างะพอแต่แม่จักเตียมาเด้กถืบตีนใช่จักเตียเขาเด้งถืบตีนที่พอแตมอะไรเป็นชี้มารคกับสากใช่ปัวเขาพอดีนั่นชื่อแม่เป๊ะเห็นกับสาถืเพี้ยนใช่พอแ่แม่ตึงตังตึงตังตึงตังแม่ดอกกให้เขาฟัง ต่เป็นสาวถือเพียนแต่พอเทม่าได้ยีนนีว่ า, าันแม่ห่าวฟองห่าวมันเป็นคนทิ้ดถีแห้งตัวห่าอยู่้อารวาดเขาเคยมีเมียเหมือนกันเมียเหาตายเข้ามาบวชผู้ขามาบวชแม่ขึ้นพอข้มนมาแห่มาสร้างสิเ่าวซ่อมมึงตัว ส้มเห็นนาบูนนาเน่าจะพอคูดมึงเนี่ยว่าันโตโตก็คนยันมีเนี่เอาของไปให้พ่อให้แม่ที่บนนั่งให้ห่าข้าวยอมไรขามันนั่งลดเอามาเป็นคนยันมียะไรเนีคงบวชเจริ้หน่อยคนบวชอายุเจ็ดอายุ 1ิเจ็ดสิบแปดบวชเป็นเน่นสามพันาเนี่ยพัาพระพันาหนึ่งจะเข้ากรว่านเอาเมียเข้าเอาเมีามีตายมาแล้วนี่อายุสามสิบสองเนี่ยมาบวชอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีครับบวชเข้ากรหนึ่งศรีพัาบวชเข้านี่จะสองพันี่รบ บอรข้าวเทมปุระทีภาษาเนี่ยสามภาษาภาษาหนึ่งคำสอนในใจลูกกรทะมันดิท่อคำสอนไปเจ้าเขาบอกคำสอนอันไหนมันดีกว่าเอาหนึ่งคำสอนศาสนาได้เอามาบอกหลวงพ่อไผ่เห็ไหมไผ่ใช้มาเทียงก็มาเที่ยเดียวหนึ่งมันยังสองมันยังสามมันยังเอาขึ้นมาแบบมู่โตอ๋อ ศาสนาพระเยซูว่าสันกะดีอยู่แต่หากไม่ดีเท่าศาสนาพุทธนว่าปันขนมปังให้ไว้สันจินบวชด้วยสันนี่ท่านสินพรวมนาพระพุทธเจ้าปันให้บ่หลายคนนั้นบอกจนหอดมกผลนี่พลาดหจินมดตะเคียวบอกจนบ่มาเกิดแก้เก็บตายอีกพระหลานทั้งหลายส่้งเขาสูพระนี่พาไปละนัะน บ่มีศาสนาพุทธแทรกแทรงอยู่ในโลกนห้วงศาสนานอื่นกับม่มีเหมือนันอันนี้กวามันจะมีศาสนานอื่นพอสิมาแข่งศาสนานพุทธเอแข่งศาสนานพุทธมันกับพวปันทรมลายขึ้นฝ่าแข่งฝ่ามึงรูกเหรมันถึงตกสาานามเจ้าของมันเมืดอพันพักการจะประกวงจะภูเขาสินเนี่นุ่งละน้อ ง, งมันแนวแต่ว่าดีอยู่ตศาสนานทุกทุกศาสนาละ มันยังไม่ดีเท่าศาสนาพุทธจะวังเลนี่บกตามความเห็นของตันี่ว่าความเห็นของผู้อื่นในแนวแตี้ยแล้วมิชิตุทุกคนอ่ะนี่จะซัดทุเทถือถือศาสตราอื่นมันถือศาสตราอื่นอื่นกับพสามรถจิตถึงพระโสดาบันสันะถือศาสนาพุทธจริงเดียวพระสัมรถจิตถึงพระโสดาบัน มันบังคับเลยต้องให้เห็นเองเห็นในศาสนาพุทธยังมั้งมีเครื่องจ้างฉันมีเครื่องจ้างเลนเมือเครื่องจ้างมันก็ขบดขึ้นตัวมือเห็นเองมีสิทธิ์ให้เห็นเองนะศาสนาพุทธสันึกที่โกเป็นผู้เห็นเองอาการทีโกไม่มีการไม่มีเวลามั้งมีม่การมัมีเมลวลาอะไรรับตาแย่แน่ก็มืดแน่ น, นมืดแน่นก็เห็นหงายแน่น พระพุทธาสนาอาศัยหลักเหตุผลเดีเหตุดีพ้นดีเด้เหตุเชื่วผลนช่วงผู้ไดเป็นผู้เหตุเห็นเหตุเหตุดีพ้นดีแตพะญาติคิดตลาดผู้เหตุดีเหตุดีพ้นดีตอนพระญาติคิดตลาดเห็ดีตอนนั้นผลตอนนั้นมันกัไอะไรครับพระคคิดตลาดพะญาติคิดตลาดเห็ดเช่ตอนนั้นผลตอนนั้นมันก็ไอะไรครับคิดใจพะญาติคิดตลาดนะชัว่ายังได้จังนั่นมันมีการไม่มีเวลาบอก เหตุใจอันไหนสงสัยผลของแกอันไหนก็สงสัยเหตุใจอันไหนพอสงสัยผลของแกอันไหนก็พอสงสัยเนี่ยมันก็ผลนดูห่างกันพวกเก้านั่งอภินิหารทานพระพุทธศาสนาก็มีทุกคน ท, ท, ทุกคท่านดีเลยท่านช่วยเลยช่วยอภินิหารบอกรักของเขาเขาก็มารักตอบอภินิหาร ทั้งโมเมนต์พวกเคทพิดกับมีอภินิหารทางเขาคุกนี่มีอภินิหารทั้งเป็นทัศนิษฐารโต๊ะมลหกหมืดตาเขามันก็มีอภินิหารทั้งเห็นหงลับตาเขาก็มีอภินิหารทั้งมืด น, นั่นพระอรหันเข่าสูพระนิพพานบม่มีกิเลสมีอภินิหารท้งเขา่าซูพระนิพพานนั่น พุลักโศกตุกคอกับมีอภิเนหารเขาคุกเขาตะล่างพวกกี้พวกปนบอกเขฉันว่าถ้านนี้ท่านซวยอะไรซวยนั่นเป็นอภิเนหารเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยฮปาฏิหาริย์มาใช้อีกนั่นปาฏิหาริย์สามอิทธิปาฏิหาริย์ฤทธิเป็นอธิกันอันนี้ก็ไม่สําคัญอาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจเป็นอธิการอันนี้ก็ไม่สาคัญอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนเป็นอธิกันอันนี้สําคัญมาก นักไก่เป็นอาธิการกับว่าสำคัญสิสำคัญในอย่างเดีย๋ยวนี้จ้อนึกไปยังสั้นตัวว่าสัน้นพ้นบททวงเขาของหัจักร ก, รก้อนเหรอเรื่องกลางเหรอันท่านดีเลท่านซวยเลยซวเนี่ยมันเป็นปฏิหารสำคัญของวัตถุศาสตร์นะวาน่านเนาะพนจากคิดเรียนแล้วไปสู้พระนิพพานปฏิหารทางบดี ไปเรนเลขได้ปฏิหารทั้งคกิหายเห็นบอกผู้เขว่นเขาก็บอกนี่เขาก็ก ม, มีปฏิหารทั้งบวกกิหายวางได้สันมูเห็นเป็นเสื้อสีมาเห็นเขาก็บ่กเป็นนีผู้ไหนนี่ยวางสันมันพวกเป็นดีเป็นศิลปกันยุ่เสมอนี่หลาย เ, เป็นส่วนมากนี่ก็เพราะว่าไปเรียนเลขเขาว่าท่านนี่ขันไปเอาทรัพย์มาจากธนาค้านมาลนะพัน ผลคืดว่ามันซีไดไปไสอดอกเบี้ยเขาเป็นไปเร่องดินี่นกิฟหายไปกิฟหายไปกิบหายไปกิฟหายไปนักกรนักกนักนา ท, ท่ล่าครนู่นท่านนี้นี่วัแก่หานอเป็นส่วนนี้ไปส่วนมากเลยจำไวมุกทุกประเภียรพระด็จอกเพ็ยพูดถึงพระพุทธรรมพระพสงฆ์สินหากพ่ะเสดจ า, ากลงละมเมิด เราก็พาพูเสียดา ย, ยอา ย, ยกากกินเสียดายอยากเว้นมีเสียดายอยากเว้นมิเสียดายอยากกินถือว่าภูมิวอกเป็นของเหลววิสัยถ้าไปตู้เป็นของเหลววิสัยถ้าถกขาวว่าพระพุทธเจ้าโ ง, งูพระพุทธเจ้าโ ง, ง่มากเว้ยฆร า, าวาสว่าสามารถที่รักษาสิ่งใดเขาม า, าบัญญัติได้ใครๆกาไปตู้พระพุทธเจ้ามันมันสือว่าเหลววิสัยคร า, าวาสได้พระพุทธเจ้าห้าวต้องเข้าไปบรร ญ, ญัติได้พูด พุทีิเหตได้อยู่พุทธ e ิปฏ so ิบัตได้อยู่ห้ามที่ประตัวเป็นของเหลววิสัยฉันจะเรียกว่าพระพุทธเจ้างูของเหลอวิสัยก็มาอบัญยัติเหคนฆราวาสปฏิบัติชัดที่สุสมมาเน้ปฏิบัติปฏิวัติชั่สุสมมาเกับของเหลววิสัยเพิ่มมาบัญัตดไวเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพ่อดีสายกลางล้านผู้นงคนรลายตวาึงร้ายมันขาดมัชฌิตึงยังไงพระพุทธเจ้าบอกพ่อดีหรอกสิ้นากับพ่อดีกับฆราวาสที่ท่าประการนี้เขาหัดควรักษาเป็นนิดนั่น สมบัติของกระหัสน์สมบัติของอุบาสกข้าพการหนึ่งประกอบด้วยศัลสองมีศีลบริสุทธิ์สามมีถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมงคลสี่ไม่แสวงหาเีศษบุญนอกพระพุทธศาสนาห้าบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งอยู่ในสมบัติขประการและเว้นจากสิบัติขประการซึ่งตรงงานข้าม น, นั่นพระพุทธเจ้า อภยยมุกสันผามันกลายไปแล้วนี่ยังจิไปโงไปเรีนน้ำแนน้ำนัอยู่หอประกอบกันเสนาภาควะน่ะสันผ่าทนเนียนถ้ามันกลายไปแล้วมันโมันเนียจะไปส่งเสริมขาเจ้าผู้ใดเลียนประกอบกันเสนาภาคมรสุมน่ะนี่ไว้สนอก เท่านี้เขาละบ่ได้ห้องไหนจะไปมักลนี่พาไนสากกของคิปหายหมันถือว่าเป็นของเจริญคือยังว่าวินเขาตะเกียงมันเนี่ยเห็นขงจ๊กห้อมนดอกบัวเห็นเจ้าหัวเป็นไปผูกเอเลอม็มันก็ถือกันอัจฉริากันเป็ี่นมูอเท่าฮิบทิมขันเทาเน้่เคยพิดอ่ะฮิบทิมเจ้าไปไก่มันไผ่ก็พิษมันทุกคน ข, นขงแจ๊กก็พิดะฮิบทิม ม society, ึงจามันบดีหรอมันบดีมาจะแน่ทองรอกคำว่าสั่นกับมันเป็นพระรหันมันจะแน่ทองเขาถึงมาบวชที่อย่างมันชิมาปฏิบัติที่อย่างกต่มันบดีตัวเขาจังมาปฏิบัติค้าสอนอุทิจเจาเนี่ยในมันบดีเขากับทีมด้วยตัวเขาจะเอามันเป็นสารนั่งคาซามบบอเขาเขาไปย่างทีมเจ้านั่นแล้วท่านเขาจะไปทั้งสบบอเขาเข้าไปทั้งสแล้วจิตใจเขาเบ สูงขึ้นได้ห่ะเมื่อสามาถเส็นดำลรอเวลาเข้าไม่น้อยเขายังเนี่ยสิวามัล่าร้ายบอกเชียงบุญเชีงกำมู่ตัวสมมุตถ้าในหัเราอ้นจังว่าหอเลาหมดมีบุตีตายมื่ล้วกนี่ก็ได้ ความตายพ่อเขาลมหายใจเขาออกบางองค์พิจากหาทุกท้วงพ่อเขาลมหายใจเขาออกบางองค์พิจแกหาทุกพ่อเขาลมหายใจเขาออกบางองค์พิจารณาของปฏิกูลโชกโภคในสกุลในร่างกายพ่อเขาลมหายใจเขาออกบางองค์พิจากหน้าดินน้าไฟลมพ่อเขาลมหายใจเขาออกบางองค์พิจากหน้าอนิจจังทุกครั้งอนัตตาขโมมันว่าเที่ยงพ่อเขาลมหายใจเขาออกวันนี้มิจฉาพ่อหน้าทั้งนั้นล่ะ รับข้าพวาวานาน่งมาจำกลัน น, งงนางภาวนาสนัดนางพระเพียบก็ได้สนัดนังคับสมาทิก็ได้แล้วแต่านางพระเพียบย่าสุนันย่าสุนันติงขาเนี่ยมันเลือดมันปเดินนั่งยังส่มันบาดอ้อมแตถ้ามาติงเนี่ยเลือดก็เดิน ขนะนี้สิมันกับมันหลังมันคดเนี่ยหลังมันคดมันเลือดมันเดินวัสดกขันยื้อไหลกับมันเมือยเอาพอดีพะงาวยื้อไหลกับเลือนอ่ากับคืนจะผูกคนผูกคอตายเนี่ยมทนอันนอนที่แรกกับ น, นอนแต่แค่กับหัวยุ่มากครับมันเมื่อยเทากับนอนไงก็บอะไยุ่น้อนแต่แค่กับสายก็เป็นอยู่ นงอยงก็เป็นอยู่พรนะวนาบางพระองค์นอนไม่ได้โดนรับบางบางคนนอนภาวานาะเจ่งทั้งนางบางคนบางคนเจ่งทั้งเดิอนอันพรนะวนาพระพุทธเจ้าเจ่งมั้เดินกับพี่จะหน้าได้ซ้าเดียวกันนางกับพี่จะหน้าเลยซ้าเดียวกันนั่นกับพี่จะหน้าได้ซ้าเดียวกัน ยืนกับพี่ชนาได้ซ้าเดียวกันชั้นโตนี่ยืนบ่ได้จอบได้สีหยักยงางบ่ได้ยืนนั่งกับพ่อได้นั่งกับนอนได้ได้ซ้าเดียวกันกับเดินพี่ชนาได้ซ้าเดียวกันนอนไหมพ่อมานอนบ่หลับพอในนอนพ่อหน้าหนาบ่หลับไงเลย มือนีเท้ามาแล้วสิย่างร้านกับเพื่อนละสองชัวโมงเครื่องงานเลยเสมอนี้แม่รับมือหนึ่งึ้นหนึ่งมาล้างมือกับเพื่อนละสามชิ้นหน้าที่หนึง่งปุตีสามตีสี่ผได้หายเทีย่ยังพ่ไปไปรับตีสามห็นเพื่อนจะไปรับมาเลยเที่คันอายุสามชิ้นปทีสามมันลุกแล้ว สามมดีไปแต่เพิงห้องตุ่นถ้านักษาศิลาวาณาเขาเนี่ยทักพักเดือนหนึ่งกวังเพื่อพาะใิผ้านไม่ได้วังเพื่อในวัดตาสงสารกาบสามที่กับสามที่กับผูโทษัำโมทังโคนิพพานั่งไม่ได้กาบพรเป็นพิที่ไม่ได้กาบักิีข้าต้ธธรรมขนมเขาไม่ได้กาบทำทาทำท่ า, ท า, ทางเป็นตเป็นผู้มีศิลปมีธรรมมีเกียรติหน้า ย, ยางสัตของสัตอรร ยึดน้ำออกจา ก, กคนท า, งน า, า, ท า, นาน้งน้ำนี่สิปารธนาพระนี้ฟาดผมเพราะย่อมีขวบไม่น้ำมาขวังคิดขวังใจให้ผลทุกในวัตฏสงสารจะขวบน้ำจิเลสย่อมมาข้ังคิดขวังใจกับปรารนาผุ่นมองสั่นเอาหลอดว่า ยึดใจผู้ดด้ยุสั่นไหนมันก็ยั้งไปสั่นน่นมันเป็นของทิพย์หมดใช้ประสงค์อันไหนใดวัดผู้นึงเป็นเชี่ยวกันซื้อวัตถุปัญญาพอปัญญาปูผู้นึงซื้อวัสดุปัญญาพอปัญญาดีเป็นเชี่ยวกันไปรักษาสินน้ากันในขังพระเจ้ามหากัจจปะเชี่ยวเี่ยวว่าสั่น ตัวมารักษาศีลพวหน้าเนี่ยตัวปัถนาอย่างไรต้อปัถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัติเอจักเสีนิพพานสมบัติภายหลังอะไหวยต้อมาปันายังตัวที่้องปัฒนาพระนิพพานสมบัติหลุดไปมันจังมนจังพลี้อันนี้สงหลายตัวเสียวตัวทีไปปัถนาะสังเป็นบุตรอะไนมันสะต้องปัตนาทั้งรัดหลดหมนถ้ามันไปหันม่ไปหันแล้วที่ไปใช คนนี้ว่าม่เนียคนนี้คุณพ่มาคือห้องปารถติเนะไปกรุงเทพหมดละว่ไม่เนี่ยที่ปาร์ตนะสิ่ขามโคลาตหรือปากซองมันถ้าไปหามันก็ไปเองมั่นวองท่านว่าอันนี้โยมายู่มายนี่ครับอันผู้ปารถนะพระนิพพานสมบัติถึงพระรหันต์แต่ผุนแต่ศาสนาประกัสสปะผู้ปารนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ คมสมบัติจังออนิพานสมบัติหพรก็ว่าเขาสู้พระนิพานศาสนาพระโคดมะเท่านี่นั่นพินไปนณาแล่ะพระโมคคัลล่าพระเจ้าอโนมทัตสีมาพักด้วยในป่าพระโมคคัลล่ากับสารีบุตรได้ปฎิฐานาสาวกเบื้องใต้ผู้หนึงปฎิฐานาสาวกเบื้องขวา ส่วนบริวาพรพมกขาาล่าซาเลมุตมีทั้งละสองหมื่นเป็นสี่หมื่นบอกนั้นบ่ปรารถนายังมาสัง่งของสําเร็จว่าผลนิพพานไว้ไหมมาสัง่งพนั้นไม่ตั้งใจฟังเสรลจได้สำเร็จว่าผลนิพพานมัดพวกนี้นพวกนี้นเล่ค่าปรารถนาเป็นสวกบนทรายบนขั้วขอ ง, ของ พ, นอนพระพุทธเจ้าในอนาคตพระพุทธเจ้าก็เลยท่าเลยว่าพวกท่านที่ได้เป็น สามบกบึงใส่บังบขวาของพระโคดมพูนในอนาคติันสีมากมาั่นพวกพวกโตปราร์นาท่านพวกบริษัทบริวารของโมโตบริปราร์นาท่านเขาต้องเรียเมื่อเรว็วาสั่นนั่นอรหันต์าวนาเนี่ผู้ตัวธโมทั้งโคเป็นชุกเปิดชุกพีนน่น้องทางหล ว่น้อยบ่ได้มากแม่นบหมฮะ่เห็นจะค่นบ่ไมไผฮะเมื่อบ้านถ่ายคับบ่วัดตั้นเที่ยงบ่ได้มากจะคนแม่นบ่ตั้นเที่ยงมาใส่เออ ปองหัวกับทำปองหัวแล้วเทาไหร่ปองหัวให้รงถึงใจผู้ทวดธรรมโอสถโกฟปองหัวใงถึงใจใจถึงว่าผู้พระท่ประสงค์ผู้ทวดธรมโอสถโกร่งภูมาหาไห้ท่านเจบอกปองหัวพ่อของหาเอาเอาเปดิดเร่งร่วนี่คือห้องแห้งใชมนี้ห้องแห้งใช่นี้